แนะนำบทอันนลกบทอันนำลูกเป็นบทมัคคิยะมีเก้าสิบสามโอกาสที่ความสนใจเกี่ยวกับหลักการศรัทธาการให้ความเป็นเอกภาพศาลและการฟื้นคืนชีพเป็นบทหนึ่งในสามบทที่ถูกประธานลงมาอย่างต่อเนื่องและถูกจัดอันดับไว้ในคภำพอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันคือบทอชุอระอันนำลและ อัลกออซอดอาจจะกล่าวได้ว่าในบททั้งสามนี้การดำเนินเรื่องเป็นไปในทางเดียวกันบทนี้ได้กล่าวถึงคำภีกุรานซึ่งเป็นปฏิหาริย์นันยิ่งใหญ่ของมฮัมมัดและเป็นหลักฐานที่สมบูรณ์จงกระทั่งวันกิยามะและยังแจ้งให้ทราบว่าได้ถูกประทานลงมาจากพระผู้ทรงปรีชาญาณผู้ทรงรอบรู้บทนี้ได้กล่าวถึงเรื่องราวของบรรดานัีบางท่านโดยสรุป และบางท่านโดยละเอียดกล่าวโดยย่อถึงประวัติของนบีมูซานาบีซาเลห์และนบีลูตและได้กล่าวถึงกลุ่มชนของบรรดานาบีดังกล่าวว่าได้รับการลงโทษเนื่องจากพวกเขาผินหลังให้กับการเรียกร้องเชิญชวนของอัลลอฮ์และพวกเขาปฏิเสธ ต, ต่อบรรดารอซูลผู้ทรงเกียรติทั้งหลายบทนี้กล่าวอย่างละเอียดถึงเรื่องนบีดาวุฒและบุตรชายของเขาคือนบีสุไลมาน และกล่าวโดยเฉพาะถึงความโปรดปรานของพรงที่ทรงประทานการเป็นนบีและอำนาจอันกว้างใหญ่ไพศารและได้กล่าวถึงเรื่องของนบีสุไลมานกับบุลเกสพระราชินีแห่งเมืองสะบัดท่านนบีสุไลมานได้เอาอำนาจเป็นสื่อในการเรียกร้องประโยชน์หรท่านจะไม่ปล่อยให้นักปกครองที่กดขี่ข่มเหงหรือกษัตริย์ผู้ปฏิเสธศรัทธาเป็นแต่จะเรียกร้องประโยชการศรัทธาต่อหรอดังเช่นเรื่องของท่านกับพระราชินีบูลเกส ตรงกระทั่งเมื่อพระนางทรงเลิกการขารบบูชารูปปั้นและเจว็จและเสด็จไปพร้อมกับเหล่าทหารของพระองค์ยอมจำนวนและตอบรับการเรียกร้องเชิญชวนไปสู่พระผู้เป็นเจ้าบทนี้ได้กล่าวถึงหลักฐานและข้อพิสูจน์ถึงการมีอลัลลอฮ์และการเป็นเอกภาพของพระองค์ซึ่งเข็นได้จากสิ่งที่ถูกบังเกิดมาทั้งหลายและความแนบเนียนในการสร้างของพระองค์ นอกจากนี้ยังได้อธิบายถึงความน่ากลัวและภาพลักษณ์ที่น่าตื่นเต้นซึ่งมนุษย์ทั้งหลายจะได้เห็นในวันแห่งการชุมนุมครั้งยิ่งใหญ่โดยพวกเขาจะตื่นตะหนกและก็หวานกลัวมนุษย์ในวันนั้นจะถูกแบ่งออกเป็นสองพวกพวกที่หนึ่งคือพวกที่มีความสุขสําราญจะพบแต่ความดีทั้งหลายอีกพวกหนึ่งคือพวกที่ใบหน้าของพวกเขาหมองคล้ำซึ่งจะถูกนําไปสู่นรกยานดับบทนี้ถูกตั้งชื่อว่าบท อันนำคือมดเพระอัลลอฮ์ทรงกล่าวทั้งเรื่องมดซึ่งได้สั่งสอนและกล่าวเตือนพักพวกของมันแล้วมันก็ได้แก้ตัวให้สุไลมานและกองทัพของเขาท่านนับดุลลัยมานเข้าใจรู้ภาษาของมดจึงได้ยิ้มเมื่อได้ยินคำพูดของมันและขอบคุณต่อลอที่ได้ประทานความโปรดปราและความดีต่างๆให้แก่เขา ด้วยพระนามของเราผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอตาีนิ ล, นล่อซีนลาวนี้คือบรรดาองค์การของอัลกุรอานเป็นคำพีอันชัดแจ้งฮุดอูวะบุชร้าลิลมุเอมิน เป็นทางนำที่ถูกต้องและข่าวดีสำหรับผู้ศรัทธาบรรดาผู้ปฏิบัติละห ม, มาดและบริจาค z a k a และต่อวันปรโลกพวกเขาเชื่อมัน่น ي ي هم هم ถ้าจึงบรรดาผู้ไม่ศรัทธาต่อวันประโลกนั้นเราได้ทำให้การงานของพวกเขาสวยงามแก่พวกเขาดังนั้นพวกเขาจะระเร่อร่อนไปเรื่อย ชนเหล่านั้นพวกเขาจะได้รับการลงโทษอันชั่วช้าและในวันฟรโลกพวกเขาเป็นผู้ขัดทุนยิง่งและแท้จริงเจ้าจะได้รับอัลกุรอานอย่างแน่นอน จากพระผู้ทรงปริชาญผู้สงรอบรู้ จงดำลึกเมื่อมูซากล่าวแก่ครอบครัวของเขาว่าแท้จริงฉันเห็นไฟฉันจะนําข่าวจากที่นั่นมาให้พวกท่านหรือฉันจะนําคบเพลิงมาให้พวกท่านเพื่อพวกท่านจะได้ทําให้มันอุ่นัมมาาอาาอนม น, น, นาาฉันเมื่อเข้ามาถึงที่นั่น ให้มีเสียงเรียกขึ้นว่าผู้ที่อยู่ในไฟและผู้ที่อยู่รอบๆบมันจะได้รับความจําเริญและมหาบลสุดแด่อลัลล่ะพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลกมออุนนอโอ้มูสาเอ๋ยถ้จริงค่าคืออัลล่ะผู้ทรงเดชานุภาพ وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا ر َ آ ه َ ا تَهْتَزُكَ أَنَّهَا جَانُ وَلَا ّ مُدْبِرَ وَلَمْ ي ُ ع َ ق ِ ب ْ يَا مُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ ل َ د َ ي َّ ا ل ْ م ُ ر ْ س َ ل ُ و ن َ และจงโยนไม้เท้าของเจ้าเมื่อเขาเห็นมันเคลื่อนไหวคล้ายกับว่ามันเป็นหูเขาก็กลับหลังหันแล้วก็ไม่ให้หันกลับมาอีกโอ้มูซาเอ๋ยเจ้าอย่า ก, กลัวแท้จริงบรรดาศาสนาทูตจะไม่กลัวเมื่ออยู่ต่อหน้าข้า เว้ น, นรรแต่ผู้อาธรรมและเขาได้เปลี่ยนมาทำความดีหลังจากที่ได้ทำความชั่วเพราะแท้จริงข้านั้นเป็นผู้ทรงอาภัยผู้ทรงเมตตาเสมอ อ, ลอนนและจงสอดมือของเจ้าเข้าไปในกระเป๋าเสื้อของเจ้ามันจอกมาข้าวปราศจากอันตรายใดๆนี่คือสองในเก้าสัญญาที่เจ้าจะนำไปยังฟิออดและพวกพ้องของเขา แท้จร er ิงเขาเป็นกลุ่มชนที่ชั่วเมื่อสัญญาณของเราได้ปรากฏชัดแจ้งแก่พวกเขาพวกเขากล่าวว่านี่คือเวทมนต์คาถาอันจับแจ้ง และพวกเราได้ปฏิเสธมันท <pr> well er ั้งๆที่จิตใจของพวกเขาเชื่อมั่นมันดันั้นเจ้าจงดูเถิดว่าบั้นปลายของมรรดาคนชั่วนั้นจะเป็นเช่นไรวดเนาาละสุลัยมานอิลมาและกาวัลฮัมดุลิลลฮิลลับดลนอลกีีริบดีุิน แต่โดยแน่นอนเราได้ประทานความรู้ให้แก่ดาวุฒและสุไลมานแต่เขาทั้งสองกล่าวว่าบรรดาการสรรเสริญเป็นของอโลผู้ทรงโปรดปรานแก่เราเหนือปวงเบาวของโปรงส่วนมากที่เป็นผู้ศรัทธาทั้งหลายยกกออรีตาายยลลััสสุุไลลลาาานนนนนดววว่ิิชย ال และสุัยมานเป็นทายาทของดาวูดและเขากล่าวว่าโอ้มนุษย์ทั้งหลายเราได้รับความรู้ภาษาของนกและเราได้รับทุกๆสิ่งแท้จริงนี่คือความโปรยปานอันชัดเจนยิ่ง และไร้ผลของเขาที่เป็นยินมนุษย์และนกได้ถูกให้มาชุมนุมต่อหน้าสุเลยม์มันและพวกเขาถูกจัดให้เป็นนกยีย<า><า> ลุดขลูมสาธิน كم ลายะหติมันสุลัยมานว่าจนูดหัวว่าหุมลายะช่อรูนจมกระทั่งเมื่อพวกเขาได้มาถึงที่ทุ่งที่มีมดมากมดตนหนึ่งได้คูดว่าโอ้พวกมดเอ๋ยพวกเจ้าจงเข้าไปในรางของพวกเจ้าเถอะ เพื่อว่าสุเลยมานและไพร่พลของเขาจะได้ไม่บทขยี้พวกเจ้าโดยที่พวกเขาไม่รู้ตัว ال เขาสุไลมานยิ้มแก้มัวเราะต่อคำพูดของมันและกล่าวว่าโอ้ oh, พระผู้อวยพรของฉันพระองค์ทรงโปรดประทานแก่ฉันเพื่อที่ฉันจะขอบคุณต่อความโปรดปรานของพระองค์ท่านซึ่งพระองค์ท่านได้ทรงโปรดปรานแก่ฉันและบิดามารดาของฉันและฉันกระทำความดีเพื่อที่พระองค์จะทรงพอพระทัยมัน และส่งให้ฉันเข้าอยู่ในความเมตตาของพระองค์ท่านในหมู่ปวงเบาของพระองค์ท่านที่ดีๆทั้งหลายและเขาสุลัยมานได้ตรวจ ด, ดูฝูงนกแล้วกล่าวขึ้นว่าทำไมฉันจึงไม่เห็นนกหัวขวานหรือว่ามันหายไปไหน แน่นอนฉันจะลงโทษมันด้วยการลงโทษอย่างสาหาัสหรือฉันจะฆ่ามันดีหรือมันนําหลักฐานชัดแจ้งหมายฉัน ب ب ب มันหายไปไม่นานนะักแล้วกลับมามันได้กล่าวว่าฉันได้ไปตรวจพบในสิ่งที่ท่านไม่รู้และฉันได้นำข่าวสารอันแน่นอนจากเหมือนสะบะมาอย่างทานอินนีวจิตผู้รเตัตย์มลคุ่มว่อทียต์ไม่ทุกลชีริวลหชนาม ฉันได้พบหญิงคนหนึ่งปกครองพวกเขาและนางมีทุกสิ่งที่นางมีบัลังอันดะหโหฐานและฉันได้พบนางและกลุ่มชนของนาง สการะบูชาดวงอาทิตย์โดยไม่กราบไหว้อะรอและชายตอนได้ทําให้การงานของพวกเขาเป็นของดีงามแก่พวกเขาและได้กีดกันพวกเขาออกจากแนวทางที่ถูกต้องฉังนั้นพวกเขาจึงไม่อยู่ในแนวทางที่ถูกต้องอ ทำไมพวกเขาไม่กราบไหว้เอาลอผู้นำออกมาซึ่งสิ่งได้ลับในบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินและส่งรอบรู้สิ่งที่พวกเจ้าปิดบงังและสิ่งที่พวกเจ้าเปิดเผยอัลลอฮนั้นไม่มีพระเจ้าอือใด น, นอกจากพระองค์พระผู้อภิบาลแห่งบนลังอันยิ่งใหญ่ ข้าวนาบีสุลัยมานกล่าวว่าเราจะคอยดูว่าเจ้าพูดจริงหรือเจ้าอยู่ในหมู่ผู้ผบบมมพูดแทิเจะุเจ้าจงนำสารของฉันนี่แหละส่งมันไปให้พวกเขา แล้วถอยออกห่างจากพวกเขาดังนั้นเจ้าจงคอยดูว่าพวกเขาจะตอบกลับมาอย่างไรพระราชินีทรงกล่าวว่าโอ้หมู่บริพานทั้งหลายแท้จริงสารอันมีเกียรติถูกนำมาให้ฉัน แท้จริงมันมาจากสุไลมานและแท้จริงมันเริ่มว่าด้วยพระนามของอรรถผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ عل พวกท่านเย่อห ย, ยิ่งต่อฉันและจงมาหาฉันอย่างนอบน้อม "قالت يا أيها المرء أفسوني في أمري ما كنت ق ا ط ع م ر ا حتى تشهدون" พระนารงกล่าวว่าโอ้หมู่บริพานทั้งหลายจงให้ข้อชี้ขาดแก่ฉันในเรื่องของฉันฉันไม่อาจจะตัดสินใจในกิจการใดจนกว่าพวกท่านจะอยู่ร่วมด้วย พวกเขากล่าวว่าเราเป็นพวกที่มีพลังและเป็นพวกที่มีกำลังรบเข้มแข็งสำหรับพระบัญชานั้นเป็นของพระนางดังนั้นพระนางได้โปรดไตรตรองดูสิ่งที่พระนางจะทรงบัญชา พระนางทรงกล่าวว่าแท้จริงเหล่ากษัตริย์นั้นเมื่อเข้าไปในตำบลใดก็ทำลายมันและทำให้บรรดาผู้มีอำนาจของตำบลนั้นต่ำต้อยและเช่นนั้นแหละ และอลบมแท้จริงฉันจะส่งของกำนันไปให้พวกเขาแล้วฉันจะเฝ้าคอยดูว่าผู้ที่ถูกส่งไปนั้นจะกลับมาอย่างไรลมาุบ "قال أتمنونني بما لفما أتاني الله خير مما أتكم بل أت بهديتم تفرحون" เมื you, you you. You ่อพวกเขาได้เข้าพบซุเลยมาแล้วเขาซุเลยมานกล่าวว่าพวกท่านจะนําทรัพย์สินมากํำนันแก่เราขณะนั้นหรือสิ่งที่เราส่งประทานให้แก่ฉันนั้น ดี ย, a, ยิ่งกว่าสิ่งที่พระองค์ทรงประทานให้แก่พวกท่านแต่พวกท่านคงดีใจต่อของกำนันของพวกท่านลลนบจงกลับไปยังพวกเขา เพราะแน่นอนเราจะนำไพ่พลไปยังพวกเขาโดยที่พวกเขาไม่มีกำลังที่จะต่อต้านมันได้และแน่นอนเราใช้พวกเขาออกจากที่นั่นอย่างอัพยศและพวกเขาจะเป็นผู้ต่ำต้อยเขาสุไลมานกล่าวว่าโอ้หมู่บริพารทั้งหลายเอย๋ย ผู้ใดในหมู่พวกท่านจะนำบัลลังก์ของพระนางมาอย่างฉันก่อนที่พวกเขาจะมาหาฉันอย่างผู้นอกน้อมผู้ปริชาสามารถล้ำเลิศคนหนึ่งในหมู่พวกยินได้กล่าวว่า ฉันจะนำมาเสนอท่านก่อนที่ท่านจะลุกจากที่นั่งของท่านและแท้จริงฉันเป็นผู้มีพลังและไว้วางใจในเรื่องนี้ลดย فلما ر آ ه مستقرا ع ن د ه قال هذا من ف ض ربي ي د ل ن ي أشكر أم أ ك ق ر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. <تصفيق> ฉันจะนามาเสนอท่านพริบตาเดียวเมื่อเข้าสุเลมานเห็นมันวางมั่นคงอยู่ต่อหน้าเขาเขากล่าวว่านี่เนื่องมาจากความโปรดปานของพระผู้อภิบาลของฉันเพื่อพระองค์จะได้ท่งทดสอบฉันว่าฉันกตันยูหรือเมระคุนและผู้ใดกตันยูแท้จริงเขาก็กรตันยูเจาะตัวเขาเองและผู้ใดเนรคุณแท้จริงพระผู้อภิบาลของฉันนั้นส่งมั่งคัง่ง ผู้ทรงใจบุทธกาลลักิรูลาอร์ชหาลังบรอเทศดีอัอนจะกูลมินันที่ละยัฒดูนเขาซุลมานกล่าวว่าพวกเจ้าจนดัดแปลงบันลังของพระนางเพื่อดูซิว่าพระนางจะจำมันได้หรือพระนางจะอยู่ในหมู่ผู้จำมันไม่ได้ ฟัลัมมะจานทิลาฮกะดารชุกลตเนูอูนลอิลม์มิควัตฮะวะคุนนะมุสลิมีนันเมื่อพระนางได้มาถึงก็กล่าวแก่พระนางว่าบัลลังของพระนางเหมือนอย่างนี้หรือพระนางตรัสว่ามันคล้ายอย่างนี้แหละ และเราได้รับความรู้มาก่อนนางและเราได้เป็นมุสลิมมาก่อนนางและการที่นางได้สักการะอนจาาอัลลอ์ได้หันเหน า, นางออกไปแท้จริงนางอยู่ในกลุ่มชนผู้ปฏิเสธ فَلَمَّا رَأَهُ ت ْ حَسِبَتْهُ ل ُ ج َّ ة ً وَكَشَفَتْ عَنْ سَقِيَهَا قَالَ إِنَّهُ ص َ ر ْ ح ٌ م َ ر ْ د ٌ مِنْ ّ ق َ و َ ا ر ِ ي ر ِ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظ َ ل َ م ْ ت ُ نَتْسِ ي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. في سيئل قلاو كان آهوا โปรดเข้าไปในวังเถิดครั้นเมื่อนางเห็นมันนางคิดว่ามันเป็นสาะน้ำและนางก็เลิกหน้าแข่งของนางเขาสุไลมานกล่าวว่ามันเป็นวังประดับด้วยกระจกนางได้กล่าวว่าโอ้พระเจ้าของฉันแท้จริงฉันได้อาทธรรมต่อตัวฉันเองแต่ฉันขอนอบน้อมปฏิบัติตามสุไลมานเพื่อร อ, อพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลก และโดยแน่นอนเราได้ส่งพี่น้องคนหนึ่งของพวกเขาคือสาเละไปยังเผาสมุทรโดยพวกเขาเคารถพักดีต่อเราและพวกเขาก็ได้แบ่งออกเป็นสองพวกแล้วโตเถียงกัน เขาสั่งและกล่าวว่าโอกลุ่มชนของฉันทำไมพวกเจ้าจึงรีบเร่งหาความชั่วก่อนความดีแล้วทำไมพวกเจ้าจึงไม่ขอภัยต่อหรอเพื่อพวกเจ้าจะรับความเมตตา "قالوا قيظ لابك وبمن معك" ขา ط ا ئ ر عند الله بل ن ت م قوم تفتنون" พวกเขากล่าวว่าพวกเราได้ประสบโชคร้ายเพราะท่านและผู้ที่อยู่ UM ร่วมกับท่านเขาสซละกล่าวว่าโชคร้ายของพวกเจ้าอยู่ที่อัลลอ์แต่พวกเจ้าเป็นกลุ่มชนที่ และในเมืองนั้นมี9ก้าคนที่เป็นผู้ทำลายในแผ่นดินและพวกเขาจะไม่เป็นผู้ฟื้นฟูให้ดีขึ้น พวกเขากล่าวว่าจงร่วมกันสาบานด้วยพระนามของ Allah แน่นอนพวกเราเตรียมที่จะทำร้ายเขาและครอบครัวของเขาในเวลากลางคืนแล้วเราก็จะกล่าวแก่ทายาทของพวกเขาว่าเราไม่รู้เห็นการพิราตของครอบครั ว, ข, วของเขาแต่แท้จริงเราเป็นผู้พูดจริง และพวกเขาได้วางแผนและเราก็วางแผนโดยที่พวกเขาไม่รู้สิทธิ์ตัวดังนั้นจงคอยดูเถิดผลสุดท้ายแห่งแผนการของพวกเขาจะเป็นเช่นไร กล่าวคือเราได้ทำลายล้างพวกเขาและกลุ่มชนของพวกเขาทั้งหมดนั่นคือบ้านของพวกเขาก็ว่างเปล่าเพราะพวกเขาอาธรรมแท้จริงในการนี้ย่อมเป็นสัญญาณหนึ่งอย่างแน่นอนสำหรับกลุ่มชนที่รู้ และเราได้ช่วยบรรดาผู้สรัทธาโดยพวกเขาเป็นผู้ยำเกรงให้รอดพ้นและจงรำลึกถึงลูดเมื่อเขากล่าวแก่ชุมชนของเขาว่า พวกเจ้ากระทำการลามกทั้งๆ ท, ที่พวกเจ้าก็รู้เห็นอยู่กระนั้นหรือแท้ اء, จริงพวกเจ้าสมสู่ผู้ชายด้วยตัณหาแทานพวกผู้หญิงกระนั้นรอยิ่งกว่านั้นพวกเจ้าเป็นกลุ่มชนที่โง่เขลา ดังนั้นคําตอบของกลุ่มชนของเขาไม่เป็นอย่างอื่นนอกจากกล่าวว่าจงให้ตระกูลของลูธออกจากหมู่บ้านของพวกเจ้า แท้จริงพวกเขาเป็นกลุ่มชนที่บริสุทธิ์าาลและเราได้ช่วยเขาและก็บริวารของเขาให้รอดพ้นเว้นแต่ปัญญาของเขาซึ่งเราได้กำหนดให้นางอยู่ในหมู่ผู้ถูกทำลาย และเราได้หาฝนตกลงมาบนพวกเขาดังนั้นฝนของบรรดาผู้ถูกตักเตือนมันช่างชั่วช้าเสยีนนยดีกระไรจงกล่าเมวเถิดมูฮัมหมัดว่าการสรรเสริญเป็นสิทธิของ อ, อัลลอฮ และความสันติจงมีแด่ปวงบ่าวของพรุ่มพู้ซึ่งพรุ์ทรงคัดเลือกแล้วอัลลอดดีกว่าหรือสิ่งที่พวกเขาตั้งเป็นฟาชีนั้นดีกว่าอันมันขลักสมาวาทิวัลอ ร, ร์ดว่าอันเถลละคุมมินสมาอิมาอัมตะอัน ด, ดักนา أ إ หรือผูดด้ใดเล่าที่สร้างบรรดาชั้นฟ้าและทันดินและสรงให้น้ำหลั่งลงมาจากฟา ฟ, าฟ้าแก่พวกเจาก้า แล้วเราได้สวนต่างๆงอกเนยสวยงามด้วยน้ำนั้นพวกเจ้าไม่สามารถที่จะทำให้ต้นไม้งอกเนยขึ้นมาได้แต่มีพระเจ้าอื่นใดคู่เคียงกับอัลลอฮ์อีกหรือเปล่าเลยพวกเขาเป็นกลุ่มชนที่ตัง้งพาคีอมมด ห ร, الله, หรือผู้ใดเล่าที่ทำให้แผ่นดินเป็นที่พมนักและทรงให้มีแม่น้ำหลายสายไหลผ่านระหว่างมันและทรงทำให้ภูเขายึดมั่นสำหรับมันและทรงทำให้มีที่กั้นระหว่างทะเลทั้งสอง จะมีพระเจ้าอื่นใดผู้เคียงกับอัลลอ์อีกหรือเปล่าเลยพวกเขาส่วนมากไม่รู más, ้อเมยูบุลมุตรริดะเดะฮ์ฮุไรคชิฟุสซูม์ و ي อ ع ل ك م خلفاء الأرض أ ม ل ه م م ้า ل ل ه ق ل ม ن ا ما ت ذ ก ر ร ن หรือผู้ใดเล่าจะตอบรับผู้ร้องทุกข์เมื่อเขาวิงวอนขอต่อพระองค์และทรงปลดปล่มความชั่วร้ายนั้นและทรงทำให้พวกเจ้าเป็นผู้ปกครองในแผ่นดินจะไม่มีพระเจ้าอื่นใดเคียงคู่กับอัลลอ์อีกหรือส่วนน้อยเท่านั้นที่พวกเจ้าจะใครคัวอัอัลลาะดีรับกามฟีวลจูมีพร่าลบไรรชวยหลบอากพระเารมุาะได้รับนรยอากระจรมะ อ ال หรือผู้ใดเล่าจะชี้ทางนำแก่พวกเจ้าในความมืดทึบของแผ่นดินและน่านนะ้ำและผู้ใดเล่าทร ง, งลมแจ้งข่าวดีท่ามกลางความเมตตาของพระองค์จะมีพระเจ้าอื่นใดเคียงกู่กับมาล่ออีกหรือ อลลอฮ์งสูงสรงเนือสิ่งที่พวกเขาตั้งตาติดัมไม่เบลัล خلق ุมไม่ عيدوه وليرزقكم من السماء والأرض أإلهم مع الله قلها تظهرنكم إن كنتم صادقين หรือผู้ใดเล่าจะริเริ่มในการบังเกิดและทรงให้มันเกิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งและผู้ใดทรงประทานปัดใจยังชีพแก่พวกเจ้าจากฟ้าฟ้าและแผ่นดินจะมีพระเจ้าอื่นเคียงคู่กับร้อยอีกหรือจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าจงนำหลักฐานของพวกเจ้ามาหาพวกเจ้าเป็นผู้พูดจิต จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าไม่มีผู้ใดนนบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินจะรู้สิ่งพนญานวิสัยนอกจากอัลลอและพวกเขาจะไม่รู้เมื่อใดที่พวกเขาจะถูกให้ฟื้นคืนชีพ ว่าความรู้ของพวกเขาเกี่ยวกับวันประโลกนั้นได้ถึงที่สุดแล้วหรือทั้งทั้งที่พวกเขาอยู่ในการสงสัยเรื่องของมันแต่พวกเขายังตาบอดต่อเรื่องนั้นอีกด้วยบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธากล่าวว่า ในเมื่อเราและบรรพบุรุษของเราเป็นดินแล้วจะถูกให้ออกมาอีกอย่างแน่นอนกระนั้นหรือด้วยแน่นอนเราได้ถูกสัญญาในเรื่องนี้มาก่อนทั้งเราและบรรพบุรุษของเรา เรื่องนี้ไม่ใช่อะไรอื่นนอกจากเป็นนิทานสมัยก่อนๆจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าพวกเจ้าจงท่องเที่ยวไปในแผ่นดินแล้วจงดูว่าผลสุดท้ายของผู้กระทำผิดนั้นเป็นอย่างไรวจะพูะไรับผู้ที่ไม่รู้จักศีลธรรม และเจ้าอย่าเศร้าโศกต่อพวกเขาและเจ้าอย่าคับอกคับใจในสิ่งที่พวกเขาวางแผนเลยและพวกเขากล่าวว่าเมื่อใดเน่าสัญญานี้จะปรากฏหากพวกเจ้าพูดจริงและพวกเขากล่าวว่าเมื่อใดเล่าสัญญานี้จะปรากฏหากพวกเจ้าพูนจริ ทรงกล่าวเถิด ม, มูฮัมหมัดว่าหวังว่าบางอย่างที่พวกเจ้ารีบเร่งให้มันเกิดขึ้นนั้นกําลังตามใกล้พวกเจ้าเข้ามาแล้วและแท้จริงพระผู้อภิบาลของเจ้านั้นแน่นอนพระองค์ทรงเป็นผู้โปรดปรานต่อพวัวมนุษย์ แต่พวกเขาส่วนมากไม่เป็นผู้ขอบคุณว่รอบคุมวนและแท้จริงพระผู้อวยารของเจ้านั้นพร้อมทรงรู้ดียิ่งถึงสิ่งที่หัวอกของพวกเขาปกปิดเอาไว้และสิ่งที่พวกเขาเปิดเผยวมิ ลและไม่มีสิ่งใดจะซ่อนเด้นในชั้นฟ้าและแผ่นดินเว้นแต่มันอยู่ในบันทึกอันชัดแจ้งแล้วอินน่าเบล์อัลกุรอานยาฮุสซูอัลเบลีอิสราอีลอันทัลัลลิฮุมที่เขาอัล แท้จริงอัลกรุรอานนี้จะบอกเล่าแก่วงวานของอิสรอออลแต่พวกเขาส่วนมากขัดแย้งกันวอ น, นและแท้จริงมันอัลกรุรอานเป็นแนวทางที่ถูกต้องและความเมตตาแก่มบบนุษย์ศรัทธาอินนท้จริงมัักุรอานนแนวมางทีูกต้องแะความเากมุร แท่จริงพระผู้อภิบาลของเจ้าจะทรงตัดสินระหว่างพวกเขาด้วยข้อที่ขาดที่ยุติธรรมของพระงและพระองค์เป็นผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงรอบรู้ ด, นนรดังนั้นเจ้าจงมอบหมายต่อล้อเถิด แท้จริงจเจ้านั้นอยู่บนสัจธรรมอันชัดแจ้งแท้จริงจเจ้าจะไม่ทําให้คนตายได้ยินและจะไม่ทําให้คนหูหนวกได้ยินการเรียกร้องเชิญชวนเมื่อพวกเขาหันหลังกลับวันทีบิดาของพวกเขา ตลลมมแต่เจ้าไม่ได้เป็นผู้ชี้แนะแก่คนตาบอดให้ออกจากความหลงผิดของพวกเขาเจ้าจะไม่ทำให้ผู้ใดได้ยินนอกจากผู้ศรัทธาต่อองค์การต่างๆของเราโดยที่พวกเขาเป็นผู้นอกนอง และเมื่อพระราชบัตรเกิดขึ้นแก่พวกเขาเราได้สัตว์ออกมาจากแผ่นดินแก่พวกเขา เพื่อกล่าวแก่พวกเขาว่าแท้จึงมนุษย์นั้นไม่ยอมเชื่อมั่นต่อองค์การทั้งหลายของเราเราจงรำลึกถึงวันที่เราจะเรียกทุกทุกชาติมาชมุมนุมกันเป็นหมู่คณะจากบรรดาผู้ปฏิเสธองค์การของเรา โดยที่พวกเขาจะถูกนำมารวมเป็นกลุ่มๆจนกระทั่ ب ب ي ي ي ง, งเมื่อพวกเขาได้มาถึงพระองค์ตรัสว่าพวกเจ้าได้ปฏิเสธองค์การทั้งหลายของข้ากระนั้นหรือ โดยที่พวกเจ้าไม่ได้รู้มันเลยหรือว่าอะไรเล่าที่พวกเจ้ากระทำไปและหลักฐานได้ปรากฏขึ้นแก่พวกเขาเนื่องโดยพวกเขาได้อารมดังนั้นพวกเขาจึงพูดไม่ได้อร ฟวกเขาไม่ได้พิจารณาดูหรือว่าแท้จริงเราได้ให้กลางคืนไว้สำหรับพวกเขาได้พักผ่อนและกลางวันได้เห็นแสงสวา่าง แท้จริงในการนั้นย่อมเป็นสัญญาณอันมากหลายสำหรับกลุ่มชนผู้ศรัทธาิละจงระลึกถึงวันที่สังจะถูกเป่าขึ้นแต่นั้นผู้ที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและผู้ที่อยู่ในแผ่นดินจะตื่นตะนก เว the ้นแต่ผู้ที่พปร่งทรงประสุ์และทั้งหมดได้มาหาพปร่งในสภาพผู้ท่องต้ تَحْعَلُونَ และเจ้าเห็นขุนเขาทั้งหลายเจ้าจะคิดว่ามันติดแน่นอยู่กับที่แต่มันจะล่องลอยไปเช่นการล่องลอยของเมฆนั่นคือการงานของลอซึ่งพระองค์ทรงทำ ท, ทุกสิ่งอย่างปราณีแตแท้จริงพระองค์ทรงเป็นผู้รอบรู้ถึงสิ่งที่พวกเจ้ากระทำ ผู้ใดนามาซึ่งความดีเขาจะได้รับความดีมากกว่านั้นและในวันนั้นพวกเขาจะปลอดภัยจากการตื่นระหนกวันเมื่อจะ بالسيئة فقبة جوهم في ا ل นาร และผู้ใดนำมาซึ่งความชั่วใบหน้าตัวของพวกเขาจะถูกโยนกลิ้งลงไปในไฟนรกพวกเจ้าจะไม่ถูกตอบแทนนอกจากสิ่งที่พวกเจ้าได้กระทำเอาไว้ إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمه ا وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أ ت ل و القرآن فمن اهتد فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من ا ل م ُ ن ذ ر ي จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าแท้จริงฉันได้รับบัญชาว่าให้เคารพพักดีพระผู้อภิบาลแห่งเมืองนี้ซึ่งพระองค์ได้ทำให้มันเป็นที่ต้องห้ามและทุกสิ่งเป็นสิทธิพิของพระองค์และฉันได้รับพระบัญชาให้อยู่ในหมู่ผู้นอบน้อมและฉันได้รับพระบัญชาให้อ่านอัลกุรอานและนั้นผู้ใดได้ตามแนวทางที่ถูกต้องแท้จริงเขาก็ตามแนวทางที่ถูกต้องเพื่อตัวของเขาเอง และผู้ไดหลงผิดก็จงกล่าวเถิดมวัวหมัดว่าแท้จริงฉันเป็นเพียงผู้หนึ่งในหมู่ผู้ตักเตือนเท่านั้น ي ي และจงกล่าวเถิดมวัวหมัดว่าการสรรเสริญเป็นสิทธิของอัลลอฮ์พระองค์จะทรงให้พวกเจ้าเห็นสัญญาณทั้งหลายของพระองค์ และพวกเจ้าก็จะรู้จักมันและพระผู้อธิบาลของเจ้าไม่ได้เป็นผู้หลงหลืมต่อสิ่งที่พวกเจ้ากระทำ